ได้เคยพูดไปแล้วนะว่าการเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีปฏิบัติที่ทําง่ายๆแค่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะอันนี้ก็เท่ากับเป็นการฝึกสติของเราให้รวดเร็วฉับไวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะแล้วก็ถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมก็คือว่าทําอะไรก็ทําทีละอย่าง กินก็กินนะไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องลูกหลานที่ยังสอบเข้าหมายอะไรไม่ได้หรือว่าพ่อแม่ที่จะป่วยก็วางเอาไว้ก่อนนะทำงานก็ทำแต่งานที่กำลังอยู่เฉพาะหน้านะไม่ใช่ทำไปบ่นไปหรือทำไปก็คิดถึงงานที่คาอยู่ที่จะต้องทำตอนกลางวันหรือว่าวันรุ่งขึ้นอันนี้เราทำสองอย่างหรือทำหลายอย่าง อันทีกินข้าวไปก็เล่นลนยไปนะหรือว่าตอบเมลไปนะอันนี้ก็ทำสองอย่างมันก็ไม่ทำให้สตินะเจริญก้าวหน้านะทำให้ใจฟุ้งซ่านง่ายๆบันทอนสุขภาพจิตการเจริญสติก็ยังใสยวิธีการที่เรียกว่ารู้เฉยๆนะใจไม่ต้องทำอะไรนะใจแค่รู้ว่ากายทำอะไรก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดนึกไม่ต้องไปทำอะไรกับอารมณ์ความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้น การไม่ทำเนี่ยคือแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าการทำนะแต่คนก็มักจะทำโน่นทำนี่นะถ้าไม่ทำด้วยกายก็ทำด้วยใจนะก็เลยกลายเป็นว่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากการเจริญสตินี่มันก็คือวิธีการที่ทำง่ายๆเมื่อตอนเดินจงกรมเมื่อเช้าก็มีคนถามว่าทำไมคนเราถึงชอบทำง่ายให้เป็นยากนะก็บอกไปว่าเป็นเพราะ คนเราเนี่ยนะการศึกษาเราถูกฝึกฝนอบรมให้คิดอะไรซับซ้อนพอคิดอะไรซับซ้อนเขายิ่งมีวิชาความรู้มากเนี่ยมันก็เริ่มจะทำอะไรง่ายๆไม่เป็นแล้วก็จะทำหรือใช้วิธีการที่ยากๆมันมีเรื่องเล่าว่าโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยเขาผลิตสบู่ยาสีฟันนะผลิตเซ็ตก็ต้องใส่กล่องนะ กระบวนการผลิตเนี่ยมันก็เริ่มจากการาผลิตกล่องยาสีฟันสบู่แล้วก็ใส่กล่องเล็กแล้วก็เอากล่องเล็กเข้าไปใส่ในกล่องใหญ่มันก็เลื่อนไปตามรางไปตามรา ง, ารางจนกระทั่งกระบวนสุดท้ายนี่ก็ยกกล่องเนี่ยขึ้นรถนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คนยกแล้วนะก็ใช้ปั้นจันยกนะ ก็มีปัญหาว่ากล่องหลายกล่องเนี่ยที่เอาขึ้นรถเพื่อจะไปส่งตามห้างสรรพสินค้าส่งลูกค้าเนี่ยมันเป็นกล่องเปล่ามันเป็นกล่องเปล่านี่ทยังไงอ่ะลูกค้าก็กรนมาว่าทาไมมีแต่กล่องเปล่าโรงงานก็ต้องเอาไปแก้ไขแล้วก็คิดหาวิธีว่าทา่ายังไงถึงจะป้องกันไม่ให้มีกล่องเปล่าเนี่ยมันเข้าไปถึงลูกค้าก็ไปเสนอไปติดต่อบริษัทที่ปรึกษาให้ช่วย แก้ปัญหานี้หน่อยเขาก็มีข้อเสนอว่าให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนระบบการผลิตใหม่โดยเฉพาะตรงปลายสายการผลิตเนี่ยให้มีเซนเซอร์นะเครื่องวัดนะเครื่องวัดเนี่ยว่าถ้ากล่องเนี่ยกล่องเบาๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นกล่องเปล่าถ้าเครื่องวัดจับได้เนี่ยก็จะส่งสัญญาณให้หยุด ให้หยุดเพื่อที่จะได้จัดการกล่องเปล่านั้นเช่นหาเอากล่องนั้นออกไปจากสายพานหรือไม่ก็หาสินค้ามาเติมให้เต็มก็ใช้เงินหลายร้อยล้านนะร้อยยสิบล้านได้นะแต่ครนี้มันก็มีปัญหานะว่าสายพานการผลิตเนี่ยมันก็จะหยุดอยู่เรื่อยๆเพราะมีมกล่องเปล่าหลุดเข้ามาอยู่เรื่อยนะหยุดทีนึงก็วุ่นวายกันนะก็พยายามมาทางแก้ไขว่าทํายังไงถึงจะให้ กระบวนการผลิตมันต่อเนื่องไปได้ก็ยังแก้กันไม่ได้นะแต่ว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะกล่องเปล่าก็น้อยลงคราวหนึ่งก็มีการไปสำรวจว่าสายพานการผลิตไหนที่มีการมีการไม่ไมีไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเรื่องกล่องเปล่าแล้วก็ไม่ค่อยมีการหยุดสายพานการผลิตเท่าไหร่ก็พบว่ามีสายพานหนึ่งเนี่ย สถิติดีมากนะก็คือว่าไม่มีก่องเปล่าเล็ดรอดมาเลยแล้วก็ไม่มีการหยุดสัญญาณหยุดสายพานการผลิต ด, ด้วยเขาก็ไปดูว่าทำได้ยังไงเพราะว่าสายพานการผลิตอื่นเนี่ยมันมีการหยุดเป็นประจำเพราะมีกมีกองป่าโผล่เข้ามาลอดเข้ามาก็ไปถึงก็เห็นเด็กคนหนึ่งนะมันก็เป็นวัยรุ่นนะ่ะ เป็นคนคุมสายพานนี้แล้วก็ตรงปลายสายพานเนี่ยนะมันมีพัดลมตัวหนึ่งพัดลมตัวหนึ่งเป่าล้วก็ถามว่าไอ้พัดลมนี้มีไว้ทำไมนะเขาบอกพัดลมเนี่ยมันมีไว้เวลามีกล่องเป่าเนี่ยนะมันโดนพัดลมก็ปลิวนะก็รู้แล้วว่าเออนี่กล่องเป่านะพัดลมไอ้กล่องเป่าเนี่ยนะ มันปลิวก่อนที่ไปถึงตัวเซนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงดังนะก็ใช้กล่องเปล่านี่แก้ปัญหาไอ้ใช้พัดลมแก้ปัญหานะตัวละรอยบาทะสามารถที่จะแก้ปัญหาของโรงงานนี้ได้ใช้พัดลมนะ <ieux> พัดลมเปล่าเนี่ยก็รู้แล้วว่าไอ้กล่องไหนที่มันเปล่านะไม่ต้องใช้ตัวเซนเซอร์นะโหที่ไปโยงไปผลิตกับระบบสายการผลิตนะไอ้เด็กคนนี้ก็ ไ, <y quant ifica bacteria> ไม่ได้มีการศึกษาสูงนะ แต่ก็ใช้สามัญสำนึกง่ายๆว่ากล่องเปล่าเนี่ยนะมันมันเช็คได้โดยใช้พัดลมนะแล้วก็พอกล่องป่ามันมันกระเด็นไปเนี่ยนะถ้ามันยังไม่ถึงปลายสายพานเนี่ยมันก็ไม่มีส่งเสียงดังนะก็แก้ปัญหานี้ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเด็กนะวัยรุ่นซึ่งไม่ได้จบด็อกเตอร์เลยนะแต่ว่าเขาสามารถแก้ปัญหาได้มันก็ชี้ว่าเนี่ยบางทีการแก้ปัญหาเนี่ยที่เราคิดซับซ้อนไปนะ ใช้เงินเป็นหลายร้อยล้านทั้งที่มันแก้ได้ด้วยเงินไม่กี่บาทเท่านั้นเองไอ้ความคิดแบบซับซ้อนนี่มันก็ <S <S ทำให้คนเราแม้กระทั่งเวลาจะดำเนินชีวิตนี่ก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมามันมีเรื่องเล่าซึ่งพวกเราจะเคยได้ยินน ะ, ะเศรษฐีคนหนึ่งเป็นซ e o บริษัทใหญ่เนี่ยไปไปเดินเอาไปเดินตามชายหาดก็ไปเห็น ไปที่สะพานปลาแห่งหนึ่งนะก็มีลุงเนี่ยกาลังนั่งเล่นนะก็ถามว่าลุงทำอะไรแกบอกฉันเป็นชาวประมงนะลุงมีเรือกี่ลาก็มีเรือลำเดียวน ะ, ะแล้วลุงทำไมตอนนี้ไม่ไปออกหาปลาล่ะแกก็บอกว่าออกหาปลาทำไมอะตอนนี้ฉันก็มีพอแล้ว เศรษฐีก็บอกว่าออกไปหาปลาจะได้มีปลาเยอะๆไงแล้วมีปลาเยอะเอาไปทําอะไรอ่ะมีปลาเยอะๆก็จะได้มีเงินเอาไปซื้อเรือหลายลำนะแล้วมีเรือหลายลํานี่เอาไปทําไมอ่ะก็จะได้ปักจับปลาได้เยอะขึ้นนะจะได้มีเงินไปซื้อเรือลําใหญ่เลยซื้อเรือลําใหญ่ไปทําไมก็จะได้จับปลาได้เยอะขึ้นไงนะแล้วจับปลาเยอะขึ้นมีประโยชน์อะไรก็ลุงก็จะได้ ทำงานน้อยลุงไงนะจะได้มีความสุขมานั่งพักผ่อนลุงก็บอกก็ฉันกำลังทําอยู่แล้วนี่ไง <c oughs> นะคือลุงแกก็คิดแกคิดอย่างง่ายๆแล้วความสุขแกก็ง่ายใช่ไหมก็คือว่าก็มีความสุขอยู่แล้ว่นั่งพักผ่อนอยู่ริมทะเลอยู่บนสะพานปลาแต่นักธุรกิจเนี่ยเพ่งเรียนมาสูงนะจบเอบีเอเนี่ยต้องคิดให้มันซับซ้อนต้องต้องอ่า หาปลาให้มากขึ้นจะได้มีเรือเยอะๆมีเรือเยอะก็ได้มีปลามากขึ้นพอมีปลามากขึ้นก็ได้มีเรือลําใหญ่ขึ้นพอมีเรือลำใหญ่ขึ้นก็ได้หาปลาได้เยอะแล้วก็ได้มีเงินเยอะมีเงินเยอะก็ได้มีความสุขไม่ต้องทํางานนะทั้งที่ลุงแกก็ทําอยู่แล้วอนะเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างคนที่คิดซับซ้อนกับคนที่มองตรงนะไม่ต้องคิดซับซ้อนมาเรื่องความสุขเนี่ย เดีนี้คนเราทําให้ชีวเราซับซ้อนทั้งที่จุดหมายเราก็ไม่ต่างจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่คือมีความสุขนะแต่ว่าชีวีเรามันซับซ้อนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเพราะการศึกษามีส่วนมากการทํอะไรง่า ย, ายๆเนี่ยอย่าไปดูถูกมันนะมันมันมีประโยชน์นะมันมีประสิทธิภาพด้วยซ้ำเมื่อสิกาปีก่อนเนี่ยมันมีคนไขคนนึ่งนะไปผ่าตัดผ่าตัดแค่วิสีดวงทวารกับ กับผ่านิ้วอะนะบกว่าผ่าได้สักแค่วันเดียวคนไข้ก็มีไข้ขึ้นสูงและตัวไปตัวมาบอกว่าตับวายไม่นานต่อมาไตาวายแล้วก็เอาวิวะก็เริ่มายลงแค่สองวันเนี่ยคนแค่นี้ก็กำลงังจะตายแล้วหัวใจนี่ไม่ไหวแล้วก็ต้องเข้าห้องไอซูช่วยกันปั๊มใส่ท่อสารพัดเลย ดีขึ้นมาหน่อยเจวันพอวันที่10สุดใหม่นะคราวนี้ต้องระดมหมอทั้งหมอหมอผู้เชี่ยวชาญทั้งตับทั้งกระเพาะทั้งหัวใจนี่เข้ามามาลุมมาตุ่มกว่าจะรู้ว่าที่คนไข้เป็นอย่างนี้เพราะมันมีติดเชื้อในกระแสะเลือดและไอเชื้อนี่มาจากไหนมาจากท่อคนไข้นี่มีท่อเยกยแยะไปหมดเลย และวพบว่าคนไข้ที่เป็นแบบนี้นะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีเยอะไปหมดเลยไตโรงพยาบาลนี่ที่จริงเป็นปัญหาของโรงพยาบาลทุกแห่งคือคนไข้ติดเชื้อและเชื้อนี่มาจากท่อนะท่อที่ต่อนู่นต่อ น, นี่ก็ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นะแก้ยังไงก็มันก็ไม่ใช่ลดอาการติดเชื้อเท่าไหร่เพราะว่าคนไข้ที่ต้องใช้ท่อเยอะและท่อ น, นีกถ้าค้างไปหนึ่งอาทิตย์สองาทิตย์นี่มันก็เชื้อเยอะแล้วจะทํายังไงก็ไม่ให้มีเชื้อติดอยู่ในท่อก็ลําบาก เจาแพทย์หมอคนหนึ่งเนี่ยแกสังเกตนะว่ามันมีอะไรผิดปกติแกก็เลยเสนอผู้บริหารว่าใช้วิธีนี้ได้ไหมวิธีแกง่ายมากเลยใช้กระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็ดินสอรหรือปากกาหนึ่งด้ามทำยังไงเช็คลิสต์เช็คว่าเนี่ยก่อนที่จะทำจะทาหัตถการคนไข้เนี่ยจะต้องมีกระบวนการ5ขั้นตอนนี้ก็คือหนึ่งหมอหรือพยาบาลต้องล้างมือ ด้วยยาฆ่าเชือ้อสองต้องใส่หน้ากากกาวสาคนไข้เนี่ยก็ต้องอใช้ยาฆ่าเชือ้อโดยเพราะบริเวณที่จะต้องผ่า 4. ให้คนไข้ใส่เสื้อกาวปกปิดทุกอย่างยุเว้นอวัยวะที่จะจ ะ, จะทำผาตัดการแล้วก็หเวลาจะใส่ท่อก็ให้ทำความสะอาดตรงแผลที่จ ะ, ะจะติดกับท่อนั้ น, น, นทีหลัผู้บริหารก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะทำได้ผลหรอ แกก็บอกว่าลองเช็คดูด้วยว่าหมอพยาบาลเนี่ยมีใครบ้างที่ทํา5ขั้นตอนครบเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ครบนะขาดไปข้อใดข้อหนึ่งหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยให้บังคับเลยนะให้พยาบาลหมอเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเช็คลิสต์เลยนะก่อนจะทําอะไรคนไข้เนี่ยต้องทํา5ขั้นตอนนี้ให้ครบก่อนถึงค่อยไปทํำหัตถการหัตถการคนไข้คนหนึ่งเนี่ยนะมันเกือบ200นะเกือบ200ครั้งต่อวันนะมันไม่ใช่น้อยเลย แล้วก็พบ ว, ว่าพอทํห้าขั้นตอนนี้นะโรคอาการติดเชื้อที่เคยมีถึงสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์ะมันลดเหลือศูนย์คนไข้ที่ตายเพราะการติดเชื้อเนี่ยแทบเป็นศูนย์เลยแล้วก็ประหยัดงบประมาณประหยัดเตียงได้เยอะแยะในห้องไ c u อันนี้ก็ทำให้กระบวนการเช็คลิสต์เนี่ยมันเริ่มได้รับความสนใจนะว่าโอ้โหแค่เช็คลิสต์แค่นนะ้กระดาษ1แผ่นแล้วก็ปากกาหนึ่งด้ามนี่มันช่วยลด อัตราการตายของคนไข้เนี่ยไม่ต้องให้คนไข้ไปตายในห้องไอซีหรือว่าไปไปปัม๊มไปยึดไปยื้อกันในห้องไอซูเนี่ยมันช่วยได้มากเลยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านหมอไอ้ด้า น, ด, านด้านตับปอดใจนะหรือว่ากระเพาะนะแค่หมอธรรมดาพยาบาลธรรมดาเนี่ยทํา5ขั้นตอนนี้ครบเนี่ยปัญหาก็หมดไปนี่คือเป็นตัวอย่างนะว่าบางทีวิธีง่ายๆเนี่ยมัน มันได้ผลมีประสิทธิภาพกว่าไอ้วิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนสิเองนะแต่คนไม่เคยเชื่อนะเพราะคนเนี่ยชอบจะคิดอะไรยุ่งยากซับซ้อนตอนที่หมอแกเสนอเช็คลิสต์หข้อ น, นี่หมอส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อนะแต่พอวิจัยดูแล้วทดลองเนี่ยเออมันได้ผลนะภายในหนึ่งปีนี่เห็นผลชัดเจนเลยไอ้วิธีง่ายๆเนี่ยที่ไม่ซับซ้อนนี่เราจะไปดูถูกนะบางทีมันมีประสิทธิภาพกว่าวิธีที่มันยุ่งยากไอ้การปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะ บางทีวิธีง่ายๆนี่มันได้ผลดีกว่าวิธีที่มันยุ่งยากซับซ้อนสิอะระเตรียมรับพร